ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าศูนย์จักรคือเป็นระยะเวลาที่ว่างกล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมคำว่าศีลว่าธรรมว่าบาปว่าบุญนี่ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลย คงไม่มีความสนใจกันก็ไม่ทราบว่าสินธรรมหรือ บ, บาปนี้คุณโทษเป็นประการใดบ้างคำว่าเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดอนั่นหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนคือมันร้อนภายใจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยยิ่งเลืองซึ่งเป็นธรรมชาติที่เผาร้นคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วเมืเ่อพขาไปสิงในสถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อน ถ้าไม่มีน้ำดับคำว่าน้ำก็ได้จกดสีนธรรมเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนภายในทูติเล่แม่ศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนำน้าสีน้ำทำเข้ามาชาล้างเข้ามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่ไายที่จะร้อนเช่นเดียวกับสุญญากา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 โลกละมองกันมองอย่างเผลนๆคือมองตามความคาดความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นําเหตุนําผลนําอัดนำทำเข้าไปเทียบเคียงหรือจับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีนั้นจริงไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยการทุกคนผล้วยแล้วตั้งแต่ความจริงธรรมท่านสอนอัดสอนธรรมแก่ศัลโลกนั้นท่านสอนความจริงท่าน ไ, ไม่ได้สอนความปลอม แต่จิตจ้างเรามันชอบปลอมกับทําอยู่เสมอเป็นและเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อตอนเองอยู่เรื่อยๆเวลาจะประกอบชินธรรมคุณงามความดีเข้าใส่จิตใส่ใจแล้วจะหาเรื่องหาราวก่ออุปสรรคยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ขัดข้องต่อการประกอบความดีมันกลายเป็นมารสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกโดยที่เราก็คิดว่าเป็นทางออกของเราอย่างดี น, นี่ก็คือเนี่ของไฟที่จะทําความรุนร น, นให้แก่เรา แน่หนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าสุญญากาศอันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจึงมาเป็นได้กับเรื่องเ่อยๆในบรรดาเราทั้งหลายที่แม้จะนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็าตามระยะใดที่ห่างเหินจากศื่จากธรรมจากการประกอบผลงามความดีเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเยินระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากาศภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อน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 แต่ขณะที่ไม่มีศาสนาไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งช่างตวงตนเองทดสอบตนเองว่าผิดหรือถูกประการใดมั้งประการใดบ้างนั้นระยะ น, นั้นเป็นความรุ่มร้อนของผิดกไม่ใช่น้อยเหมือนกันมีเรียกว่าสุญญากับมีเราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญญากับตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุธทธเจ้ามาตรัสรู้เนะมื่อตรัสรู้แล้วก็ทางสอนทำแก่โลกโลกก็เริ่มรู้ศีลรู้ธรรมแล้วกลับตัวเป็นคนดีแล้วมีความร่มเย็นไปเดิมดับเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมเป็นน้ำสาหรับดับไฟพิเรธนธาอาสวะซึ่งเป็นความรุ่มร้อนโดยหลักธรรมชาติของมันกกล่าวไว้อย่างนั้นนีเราย่นเข้ามา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 นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธเสียเดียวเผลอไปโดดลงนรกแล้วอืมยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั้นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นศูญย์กรับแล้วโดยที่เราไม่รู้มัน ท, ท่านที่เรากานว่าเรานั่งภาวนาแล้วมันนั่งวนนั่งวุ่นนี่เป็นนั่งศูญย์กระปับเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเพื่อให้ทันกับกลมายาของกิเลส กับความรุ่มหลงนี่ก็เป็นกิเลสปรเนะเภทหนึ่งจึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณามีเจตนามุ่งตรงหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทำอย่าให้ความพลั้งเผลอเหล่านั้นเข้ามาแบ่งสันปันส่วนเอาไปกินแล้วเอาไปกินจนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมาปล่อยให้แต่กิเลสให้แต่สุญญากับเอาไปกินทัหมดนี่ไม่มีอะไรเหลือ พอออกมาเฮ้ยนั่งขอหน้าไม่ได้เรื่องเดีนเล้าและเลยวันนี่มั้สิ่งที่ได้เรื่องไม่พูดในเรื่องอะไรได้เรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายเหมือนสีเรื่องไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนบ้างนั่นไม่พูดแล้วเราจะมาทวงเอานี่เอาสินจากอาัด จ, จากทำเหมือนศาสนาเป็นนี่สินของคนเราเป็นเจ้าหนี้ของศาสนาทวงอัดทวงทำเป็นเจ้าหนี้ของอัดของทำทวเอาพระท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทําเหตุไม่ดีกับตัวเอง นั่งภาวนาตั้งลมนานไให้เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอกว่าชนาน้อยเราหนิว่ะดูเฉยดีกว่าวหรออีแล่นน่ะหลอกไปเรื่อ ย, อยนะแต่นั่งภาวนาอยู่นั้นมันยังเห็นได้เรื่องสิ่งที่ต้องการมันมันไม่ได้เพราะอะไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นที่ว่าต้องการจะทําภาวนาแต่เจตนาที่แฝงขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับลาดั บ, ดบจนกระทั่งถึงฉุดลากจิตไปสู่ที่ไหนไหนไม่รู้ไม่มี ไม่มีสีมีทรอยู่ประจำขณะจิตนั่นๆเลยไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลบไม่เอามาเทียบเทียงดูมาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชั่วของของเราที่แสดงตัวไปเองทำขึ้นมาเองเราจริงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอานี่เอ า, เอาสินจกัอจกอาจจับทมว่าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบ ก็เราม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลนก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่นหมือนนั่นนี่เพื่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องท่านไม่สอนของปลองอันใดที่มีอยู่ภายใจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใ จ, จของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากาศสุญญากาศนะั่นว่างเปล่าจาก อาจจากทำทั้งๆ ท, ท, ที่นั่งภาวนาอยู่คิดเถอไปไหนก้อยไปเรื่อยเรื่อยเราว่านั่งภาวนาผล ม, มันก็ไม่ปรากฏถ้ามีสติสตังกําหนดดูอยู่นั้นสมมติว่ากําหนดลมหายใจตั้งหน้าตั้งตาจะให้รู้เฉพาะลมหายใจไม่ยุ่งกับอะไรความอยากมันเป็นเครื่องถักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันอยากยตลอดเวลาให้ทราบว่าความอยากนี้เป็นภัยต่อความสงบ เพราะมันจะผลักดันจิตใจให้คิดตรุงในเรื่องต่างๆตามนิสัยที่เคยเป็นมาพยายามให้เห็นภัยในจุดนี้แล้วบังคับไว้ไม่ให้มันคิดในแง่ที่เราไม่ต้องการจะคิดเราต้องการจะรู้ในสิ่งใดให้กหําหนดปิดใจไว้ด้วยดีเพื่อรู้สิ่งนั้นเช่นรู้อนาปาณสติคือลมหายใจเขา้เขาออกก็ให้รู้อยู่ด้วยสตินี่เราเราทดลองดูพระพุทธเจ้าจะหลอกคนโกหกคนจริงเหรือหากว่าเป็นนักโกหกคนทําไมพระพุทธเจ้าได้แต่จะรู้ด้วยทำของจริงถ้าไม่ทําจริงจะรู้ทำของจริงได้ย่งไร มารู้ตามควจริงแล้วจะมาโกหกโลกได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยเหตุผลไม่มีท่านทำจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ตรามก็คือเราผู้รับอวัยจากท่านมาทำมาขยี้ขยำแหลกเหลวไปหมดทั้งทั้งที่เราว่าเรานับถือศาสนาเทิดเทิดศาสนาแต่เราทำลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทําลายตัวของเราโดยไม่รู้ตัวเพราะความเผลอความไม่รอบครอบในตัวของเรานั่นแหลกเป็นฆ่าสึกต่อเรา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 เราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับทราบเราเป็นผู้เสวยผลเกิดขึ้นจากการกระทาของเราเราจะทราบด้วยกันเรื่องภาวนาม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัจฉริย์มากมายกลากองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ลืลโลกดูสงสารก็เพราะการกระทาภาวนาทรงกาหนดอนาปานะทิต ตามหลักท่านกล่าวว่าอย่างนี้นแต่ความเะต้องอดพักระยาหารโดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดพักระยาหารเท่านั้นไม่สวยคือไม่ได้พิจารณาทางใจซึ่งเป็นความถูกต้องประกอบกันเลยจึงไม่มีทางสําเร็จได้เมื่อย้อนพระทัยหวนกลับไปถึงเรื่องตั้งแต่คราวตรงพระยาวอยู่โน่นว่าได้เจริญอนาปานสติจิตใจมีความสงบจึงได้ นำเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอนาปาทัตติพอจิตมีความสงบสงบโดยละเอียดละออยลงไปโดยลำดับก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาไตรกองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาอวิชชาปัญญาสร้างข้าราเป็นต้นเนี่ยพมีอยู่ในพระกามีอยู่ในพระจิตนั้นด้วยกัน ก็ทรงไต่ตรงตองตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาตรีธาสามาะทรงฉลาดรู้ขึ้นมาในปัจฉิมญาณโดยอวิชชาปัญญาที่จูงมนุษย์จูงสตัตว์ทั้งหลายให้ท่องเกี่ยวอยู่ในวัตฏะวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวกตามบอดมาตั้งกับตั้งการพระองค์ได้สลัดปัดทิ้งหมดความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระทยว่าอาสวัคคยาญาณ ได้สิ้นแล้วจากอาสวะเครื่องมื่น ม, น, มนอนตะการทั้งหลายนั่นนอกจากนั้นยังกิตุปาทยาน อ, อีกรู้ความเกิดความดับของสัตว์ของพระองค์ยานไหนๆก็ทรงทราบไปหมดโดยตลอดทั่วถึงนั่นท่านทาท่านทาจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมันนำสิ่งที่ทรงทําแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองมาสั่งสอนโลก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 และพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์นั้นไม่ไม่มตรัสรู้ซ้ากันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งมีอันหนึ่งเรียกวเอกนามมากิณมีพระพุทธเจ้าครั้งพระองค์เท่านั้นนี่อาธิยนเข้ามาหาเราที่กล่าวมาทานี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแคบต่างกันสำหรับหลักฐานแห่งความจริงนั่นเหมือนกันจิตุ ป, ปาตยาน ความรูค้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชัว่วอยู่ภานจิตใจนี่เอาตรงนี้นี่คือปัญญาที่จะทราบตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะไปหยิบนั่นหยิบนี่คว้านั่นคว่านี้ปุงแต่งเนื่องพบเรื่องทราบเรื่องกิ่เลียนตัณหาอาสวะก็คือตัวนี้นี่ปัญญาพิจารณาเช่นนี้ อาสระขมารที่กิเลสรู้ทันที่ตรงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้นจนกลายเป็นอาสวะข้ ย, ยานความรู้แจ้งแนวคาสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหรือตลอดทั่วถึงแ น, น่ว่าไงเราอยู่ในกับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบกับคัดกับหรือเป็นศูญย์กับ พัฒกับก็ว่ากับที่จเจริญเจริญในการประกอบความภาคเพียนในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทําขึ้นภายในใจิตใจเป็นพัฒกรบเนี่เป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่จเจริญรุ่งเรืออยู่ทุกระยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนาไม่เป็นหัวต่อโดยไม่มีสติสตา ง, างทั้งๆผิดไม่หลับแต่มันก็หลับดูด้วยความไม่มีสติ คิดปรุงแารงวนวายฝันดิบไปเรื่อยๆฝันดิบฝันสดไปเรื่อยๆ เ, เรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปถึงหลุมถึงหลานถึงบ้านถึงเดือนถึงจิตการหน้าที่อะไรเมืองนอกเมืองนาที่ไหนน่ะไปหมดเอออดีตอนาคตยุ่งไปหมดนั่นนีเนอะไรที่ดูทําไมีสติเป็นอย่างนั้นทําำมีสติแล้วมันจะไม่ไปเราบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทําหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นพัฒน์กราบอะ มันเป็นสุญญากาศนั่นเป็นสุญญากาศนักที่กล่าวไปแล้วนั้นมันนําไฟมาเผาเจ้าของเป็นสุญญากาศไม่มีศาสนาแฝงเลยขณะนั้นคือไม่มีสติสตงังไม่มีปัญญาตามรักษาเลยพล่อยตั้งแต่กิเลสให้กิเลสถุดลาดกจิตไปโดยเจ้าของไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกนเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเวลาเขาถือเขาลากมันฝันสดกับเขา เขาปล่อยแีย ม, มาลู่ตัวกูตายมันคิดไปอะไรเรื่องเราอะไรกัยังดีอยู่ที่ว่ากูตายมันคิดไปอไอ้ที่ไม่ทราบเลยที่พอพวกกลับขึ้นมาเนี่ยมันยังไงว่านั่งทำมาันพอนายตั้งเป็นเวลาทั้งหลายนาทีหรือเป็นชัวน่วโมงขึ้นมาไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันนั่งอะไรในเรื่องเนี้ยนอนถ้าดีกว่าล้มไปแล้วมันมันจะไปดีกว่าข้างนอกจากมันดีหมอนตอนนั้นอืไปดีกว่าก็ไปดีที่หมอนไนถ้าเกิดผลเกิดประโยชน์ คล้ายๆเขคนนอนได้นอนอย่างนั้นถ้าดีกว่ามันพ้นคุปไปกันด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันดีกว่าภาวนาหมอนดีกว่าภาวนามันก็พ้นถูกก็ได้หมดแต่นี้มันไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือหลอกเรากล่อมเราให้หลับว่าเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนาเฮ้ยที่เหลือมันต้องแทระทำเสมอพวกนี้พวกกรอบวนพวกยุแย่พวกทําลาย หาทำลายอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกเอยาบทก็คือเรื่องของกิเลสนะพระพุทธเจ้าทา่านจึงสอนให้แก้ให้ปราบกิเลสพวกแทรกซึมมันอยู่ภายในาจิตใจด้วยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังความอดความ้นให้พยายามเราทําหน้าที่การงานอันเป็นสาระประโยชน์สาคัญเพื่อเราให้เป็นพั ฒ, พฒกับพัฒบุคล ทีนาจิตใจจึงต้องอาศัยความประหยัหมันเพียรงานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสร้างวัสดุมากิ่ขวางไม่ให้ทำงานนั้นๆจิตถ้าสงบมันก็สบายทำไมสงบไม่ว่าแต่การไหนจนกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้ พรจิตวุ่นอี่จิตจะหาความสบายที่ไหนอทําความเข้าใจาไว้ว่าสุญญากับอยู่ที่นี่พัฒกับก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเพื่อนรักษาตัวสุญญากับก็คือปล่อยตามเรื่องตามลาตามอารมณ์ตามบุญตามคำไม่ทราบบุญที่ไหนคำทีไหนปล่อยเรื่อยไปทําปล่อยเรื่อยไปนั่นก็คือความผูกมัดตนเองตัวมีรู้สึกแล้วจนกรอบจนมึน เจอแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความทุกข์ใครปรารถนาลราในโลกนี้แต่ทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดงนี่ก็เพราะเรื่องปลอยตามบุญตามกรรมมันเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้นถ้าปล่อยที่เลสบางกิเลสด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลแต่พระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้นรู้เหตุรู้ผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยไปตามลำดับลำนาปล่อยโดยลำดับจนกระทั่งปล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือแบบปล่อยกิเลสหมด เหนือแต่พระไทยที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยพวกเรามีเก่เทียเท่ยวคิด เ, เที่ยถือเทียเทยวเว่ยวแบกจะหามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บนเอาแล้วก็ไม่ไวายที่จะแบกจะหามแล้วหามมาเพิมเ่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าว่าน้อยเท่าแก่ชราเป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบกบการหามอารมณ์ความคิดความกตุ่มต่างๆไม่ได้คิดถึงคำไม่คิดคํานึงถึงวัย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 พอไดมีความผ่อนคลายพนาจิตใจได้รับความสะดวกกายสมายใจแล้วที่เราท่านตั้งหลายได้อุตส่ามานี้ก่อนแล้วว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิงย่งเป็นเจรนาที่ดีที่สุดมาบําเพ็ญ น, นี่คือว่ามหาสารคุณสารประโยชน์นั่นจึงปรินนาบําเพ็ญคิดตภาวนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มา นั่งสมาธิภานาดูตัวของเราตัวของเรามันเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข่ก็ต้องหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาแล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใคยจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยนี่สาคัญโรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือธรรมหมอก็ได้แจกครูแจกอาจารย์ในตำหนักตำราท่านสอนเอาไว้ นำมาประพติปฏิบัติกำจัดโรคเชื้อโรคอันสำคัญที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนีอย่างจง ม, มิดถอด้อนด้วยความภาพเพียรอย่าลดละถอยหลังความหวังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะพุ่มสำเร็จไปโดยลำดับลำดับแต่เพราะอย่างยิ่งคือการพิจารณาเรื่องถาดเรื่องขันเรื่องความเป็นความตายในสกลกายของเรานี้เป็นสิ่งสาคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่น เรื่องความตายติดแน่นเจอกับตัวของเราทุกคนความเจ็บความทุกข์ความลําบากในร่างกาและจิตใจก็ติดแน่นเจอกับกายกับใจของเราเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนอนอยู่มนกระทับเราอยู่นั่นแหละอืมนั่งอยู่กระทับอยู่อริยาบททั้งสี่มีแต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายทับเราอยู่ทั้งนั้นความทุกข์ความลําบากทับเราอยู่ทั้งนั้นเราจะหาอุบาวิธีไหนเพื่อจะให้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ควรจะรู้เท่าทัน แล้วเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนด้วยอุบายวิธีใดบ้างอี่เรียกว่าเรียนตัวของเราให้รู้เรื่องตัวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างให้รู้ให้เข้าใจสมกับศ า, าสนาที่ออกมาจากท่านผู้ฉล า, าดแหลมคมมาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษทัทเพื่อความฉล า, าดแหลมคมให้ทนทานกลมายากแห่งความโง่ของตนที่มีอยู่ภายในตนความโง่คือกิเลสท่านเรียกว่าความโง่ เราว่ากิเลสมันโง่นะความจริงกิเลสมันฉลาดที่สุดฮะที่เราถูกกล่อมมาเรื่อยมีแต่ความฉลาดแล้วผมของกิเลสทั้งนั้นจะว่ากิเลสมันโง่ได้ไหมฮะผูท้ที่เชื่อกิเลสนั่นแหละคือผู้โง่ว่าอย่างนี้ถูกตั้งเลยแล้วใครละเชื่อกิเลสโดยลำดับลาดัแล้วมีใครบ้างก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี่เองเป็นผู้โง่เพราะเชื่อกิเลสกล่อมเมื่ อ, อไรก็หลับเมื่อนั้นเพิ่มเมื่อนั้นหลับไปเมื่อนั้น ไม่เคยตื่นเมื่อตื่นตัวไม่เคยเห็นภัแห่งความกล่อมของมันมก็คือพวกเรามีพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้ิึพระองค์และรู้สึกตัวและนำธรรมเข้าไปหรือถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งทั้งโทษทั้งคุณก็คือ โทษได้ แ, แก่พิเลตอาสะวะได้แก่ความนุ่มหลงตามพิเรตปัญห า, าสะวะคุณก็คือได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพี้มที่จะดื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของตนให้กลายเป็นผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอบที่มันกดถ่วงหรือ ก, ก ด, ดอยู่บนคอนได้แก่หัวใจของเราโดยลําดับลําดับจนกลายเป็นอิสระขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน นีหมดพระพพุทธเจ้าท่านหมดหมดสิ่งกดทวงทั้งหลายอะไรกดทวงยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นเนี่ยกดทวงความยึดความถือตัวของตัวเองนั่นแลมันมากดทวงตัวเองไปยึดภูเขาทั้งลูกภูเขามันมากดทวงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นและมันมากดทวงเรานี่อ้าวยึดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแลมมันมากดมาทวงมาบิด บังคับติตใจของเราสิ่งนั้นที่เราไปยึดไปถือนะมันไม่ได้มาเห็เนเงินทองเข้าของตึกรามบ้านท่องที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ตามเรื่องของมันมันไม่ถือว่ามันเป็นท่าสุดหรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดแต่ผู้ที่ไปหลงไปยึ์ไปถือสิ่งนั้นล่ะนั่นละ่ะนันะ่นกลับมาทับตัวเองเพีงต้องแก้ตัวนี้ด้วยสติด้วยปัญญาของเรา การภาวนาก็เพื่อให้รู้เรื่องความขนองของใจที่คิดไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหล่านี้เน่ยสั่งสมทุกข์ให้แก่ตนเองมากเท่าไหร่ยังไม่เคยเห็นโทษข้งมันเมื่อได้เรียนทางด้านภาวนานแล้วเริ่มจะทราบไปโดยลําดับลาดับจนขมาถึ ง, งถเรื่องธาตุเร่องขันอันเป็นสมบัติสําคัญของเราได้แก่ร่างกายอ่ะย่นขมาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายายในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มเข้ามันอยู่แล้วตลอดมา เปลี่ยนแปลงอยู่เลื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันแต่และชิ้นอันนี้มันตามความทุกข์ร้อนให้แต่เรามากน้นอยเพียงไรถ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบท่านว่านี่มันเจ็บตงนั้นปวดตรงนี้ิดเจ็บท้องปวดหัวเป็นต้นถ้าไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นหล้ําลับเราไม่ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันเปลีย่ยงนี้เวท น, นากับความทุกข์คือทุกขเวทนาบีอยู่ทั้งนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนมันก็บีบบังคับอยู่นั้น พิจาราตรงนี้ให้รู้ตรงนี้รู้นี้แล้วถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดถ่วงเราได้เพราะความยึดของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงที่เช่นเดียวกับสภาวธรรมาทั้งหลายใจก็สมายอยู่ในถ้ำกลางแห่งธาตุแห่ง ข, นง ข, นขันก็ไม่หลงธาตุขันธาตุขันก็ไม่มาทับผมเราได้แล้วก็เป็นอิสระอยู่ภายในจิตใจนี่ที่ว่าผู้ฉลาด คองขันผู้ฉลาดรักษาขันขันไม่ได้ไม่สามารถจะมาเป็นภัยต่อเราได้เพราะเรามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดทันของมันมท่านนักปราชญ์ท่านว่า น, นี่คือความฉลาดฉลาดแก้ตัวให้รอดพ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดนอกนั้นพาให้เจ้าของจงใช่มากนี่ พระพุทธเจ้าจึงไม่สมเฉยว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริงความฉลาดใดที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแทแ้เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสำคัญตัวรอดได้ก่อนแล้วก็นำผู้อื่นให้รอดพ้นไปได้โดยลาดับำดับนี่คือแบบความฉลาดการแสดงธรรมก็เห็นว่าซึ่ควรพอยุติเพียงเท่านี้นะ